Thank you. สักปีสองปีที่แล้วมันมีข่าวว่าผัวเมียคู่หนึ่งถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งสี่สิบล้านสี่สิบล้าน่านอยๆเขาจะว่าคงเป็นเพราะเมียชีพขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากก็เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังทั่วประเทศผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นึงก็ปรากฏว่า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 ไม่ต้องถูรัตตอรีก็ได้แค่มีชีวิตได้จนถึงปีหน้าเข้าปรรษาปีต่อไปเนี่ยก็เป็นโชคแล้วหัดคิดแบบนี้ซะบ้างนะมันจะได้รู้สึกว่าเออเรานี่มีโชคไม่รู้สึกว่าเป็นคนอับโชคซื้อหวยเท่าไร่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยถูอิการที่มีชีวิต ด, ดินยาวจนถึงวันนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าถูหวยอีกนะยิ่งกว่าถูรัตต์รีรางวัลที่หนึ่ง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 ก็มีปลาหลายตัวมันติดปลักเนี่ยมันก็ดิน้นกระเสือกกระสนปลาเยอะทีเดียว แ, แทนที่หญิงสาวจะดีใจเออได้ปลามากลับหาทางช่วยนะหาทางจับมาไปปล่อยตรงหนองน้ำนะที่มีน้ำลึกแล้วก็กลับล้วก็เดินต่อไปถึงบ้านพ่อแม่เห็นก็ดีใจหญิงสาวก็อยู่กับพ่อแม่อยู่นานนะเป็นเดือนก็คิดว่า ถึงแม้ไม่ได้ถึงแม้เจ้านายไม่ได้บอกว่าให้ไปนานเท่าไหร่แต่คิดว่าเดือนหนึ่งพอแล้วก็เลยกลับไปทํางานต่ อ, อเสดจีที่เหมือนเจ้านายเห็นโอ้ายเอายังไม่ตายเนี่ยก็เลยไปตอบว่าสินแสสินแสก็เกิอดอะไรขึ้นทํานายทายทักไม่เคยก็ไปถามหญิงสาวหญิงสาวก็ถามไปถามไปก็ได้ความวอ๋อทําความดีอย่างหนึ่งนะ่ะ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 มันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะมีเสียงพูดถึงเราไม่ทําคนหนึ่งเขาก็ทำํำก็เลยอ่ะทําบ้างนะไปตัดไม้เขาบ้างไปล่าสัตว์ดักสัตว์กับเขาบ้า ง, นะาาางนะมันมีเหตุผลแบบนี้แหละใครๆเขาก็ทํากันถึงเราไม่ทําคนหนึ่งเขาก็ทําข้าราชการนะมีช่องจะคอร์รัปชั่นแต่ว่าไม่ทําแต่ทําไม่ได้สักพัก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 จากหน่วยงานหรือว่าไปเบิกเงินค่าน้ํามันนะบางที่ไปฟรีใจหนึ่งก็บอกมันไม่ดีนะใจใจนึงก็บอกว่าคล้ยๆเขาก็ทํากันนะบางทีก็มีหน้าที่รับซื้อของก็ได้ค่าคอมมิชชั่นค่านำร้อมนั่งชาจากพ่อค้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยซื้อของของเขาได้ค่านาร้อนนั่งชามาก็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 ถ้าแปลกนะเวลาจะทําชั่วเนี่ยใช้เหตุผลเดียวกันเพื่อจะทาชั่วว่าถึงฉันไม่ทําคนหนึ่งเขาก็ทําเพราะฉะนั้นฉันทําดีกว่าเช่นขอรับชั่นตัดต้นไม้นขโมยของเนี่ยคนหนึ่งเขาก็ทํากันึฉันไม่ทําคนหนึ่งก็ทำํำฉันทําบ้างแต่พอเวลาจะทำความดีเช่นช่วยหเหลือคนเดือดร้อนเบางทีผู้หญิงกํลาลังถูกลังแกระถูกผู้ชายฉุดกระชากนี่ยบางทีผู้ชายก็ตบตีผู้หญิง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 ดูถูกเหยียดยามคนอื่นได้ง่า ย, ยก็เลยยกตนข่มท่านคนดีเนี่ยเสียผู้เสียคนก็เพราะเหตุนี้มาเยอะแล้วไปสาคัญบัณฑ์ฉันเป็นคนดีนะก็เลยถือสิทธิทำอะไรก็ได้คนดีที่มั่นใจในความดีของตัวนี่มันฆ่าคนมาเยอะแล้วนะพวกผู้ก่อการลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อในาศาสนาของตัวแล้วก็ปฏิบัติตามตามหลักาศาสนาเคร่งครัดมาก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 แวันนียต้องฝึกนะฝึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลแห่งความดีตรงกระทั่งแม้ต้องทําความดีแล้วไม่สําเร็จช่วยคนแล้วไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนะไม่ทุกนะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วรู้จักปล่อยวางได้หรือถึงแม้ทาสําเร็จก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอวดชูว่าเป็นผลงานของฉันอย่างเจ้าพุทธบอกว่าเนี่ยทําดีเนี่ยกผลงานให้เป็นของความว่างไม่ใช่ของกูนะ